ความเชื่อที่มีปัญญากำกับเพื่อให้เป็นหลักฐานผู้เขียนจะเสนอหลักธรรมที่ศรัทธากับปัญญามาคู่กันไว้เท่าที่ค้นได้คือ 1. สัมปรายกัตถะประโยชน์อนาคตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมหรือธรรมะเป็นเหตุให้สมหมายในสิ่งที่สมหมายได้ยาก4ประการจากพระไตรปิฎกเล่มยสบและเล่มสาม ได้แก่ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อศีลมสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจากธรมสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาสอง เวสารชาชกรณธรรมธรรมะที่ทาให้กล้าหาญหประการจากพระไตรปิฎกเล่ม22ได้แก่ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อศีล ร, รักษากายวาจาให้เรียบร้อยพาหุสัจจะการได้สดัตยรับฟังมากวิริยารมภะปรัถนาความเพียร และปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้ 3. พละธรร ม, มะที่เป็นกำลังและอินทร์ธรร ม, มะที่เป็นใหญ่ห้าประการจากพระไตรปิฎกเล่ม22สองได้แก่ศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ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 สติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้พึงสังเกตในที่นี้ว่าสติมาใกล้เคียงกับปัญญาและศรัทธาคงมีปัญญากากับด้วยเช่นเคย